วักที่หนึ่งเรื่องที่เก้าราคะกับจิตพระพุทธภาสิทธยะถาอาคารังรุดฉันนังวุทติสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมัมมติวิชติยถาอาคารังสุดฉันนังวุตินะสมัมมติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตตัง ราโคณะสมติวิชติเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความ ราคะตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่ารสชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปรรูปไปเสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปราศว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นสีเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้ เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลแ ร, ราคาว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิน่นรสและผู้ทัพพระราคาคือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟรอยได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์ มีความกำหนัดในการเป็นแรงกระตุ้นทั้งสิ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่า สังกัปปาราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลสังกัปปราโคโบริสัตสกามโมกามเกิดจากความดำ ร, ริตริึกสังกัปปากามชายสิดูก่อนเจ้ากามเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมาก บางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอนน่าบัดสีเพราะการมราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตาม ราคะจะทำพิษทมภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียดแทงได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบางดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียกส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับอบรมมาเมื่อประจวบกับอารมณ์อันหน้าใคร่ครั้งใด ราคาก็เสียดแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบางไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคาให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกการนิบาตพระไตรผิดกเล่ม20สหน้า77ท่านกล่าวว่าจเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิต ถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้ความว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขึ้นไปตามลาดับ เมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในการก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเสมือนสิลาทับย่าแต่กามราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมักอันเป็นมักชั้นที่สามเรื่องประกอบพระนันทะ พระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทากูมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทันลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิครธารามพระศาสดาทรงประทานบาทไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืน นันทกุมารต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทะกุมารไปซะแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่าคำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่ง ตกลงไปขวางอยู่ในหาไทยของนันทกุมารกุมารนันทะเร่งพระไทยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงนิโครธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระไทยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่า บวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทากุมารแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรเพราะใจของท่านมัวพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกรลยานีเพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นประหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทยัยดังกล่าวมาแล้ว อนนัคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพราก ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำํำตำนานกล่าวว่าพระนันทะบวชเมื่อพระศาสดามาถึงตบิลพัทได้ห้าวัน พอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ส่งตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารจะพึงได้ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ ได้ความเสน่หาในพระบิดาซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณนะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคําอื่นๆ อ, อ, อีกมากตามระสาเด็กพระศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จพัฒนกิจแล้วส่งอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ราหุลกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระาศาสดามิได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันตราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิคโครธารามพระาศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตร บวชราหุนกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยะสมบัติแทนโภกขสมบัติพระเจ้าสุดโทธนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุนบวชทรงโทมนัดอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุนพรองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอพรว่า พระเจ้าค่าหม่อมชันขอประทานพระวะโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศ า, ศาสดาส่งใคร่ครวญแล้วส่งประธานพร น, นั้นแด่พระเจ้าสุดโททนะและทรงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชจะต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสวยพระกระยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุดโททนะทูลเล่า ว, ว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกากิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบ่ข่าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคตเสแล้วแต่หม่อมชั้นไม่เชื่อหม่อมชั้นคัดค้านว่า บุของหม่อมชั้นจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมาผ้าเป็นธรรมปาละกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตะกะศิลาอาจารย์ที่สาปาโมกไ ค, คร้ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายซะแล้ว นี่คือกระดูแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ที่สาปามโมกว่าตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ที่สาปามโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาลกุมานครั้งนั้นคืออาตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระศาสดาตรัสธรรมปาลชาดกโดยพิสดาร แล้วยางพระธรรมเทศนาให้วิจิตด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุดโททนะได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชครึ่ทรงสาราญพระอิรยาบถอย่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถบินทิกาเษฐี เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสา์อยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสื่อพรหมจรรย์ต่อไปได้จกขอคืนสิกขาลาศึก พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะ a เข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะ a ทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากศึกพระนันท h a ทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้นนางชนบทกัญยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์มีอาการโศกอย่างลึกซึง้งได้ขอร้องว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบปรับนะข้าพระองค์หวนระลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่งลงไปขวางอยู่ในหทัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไพรศึกพระเจ้าข้าตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคํคำนั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาววดึงด้วยกาลังฤทธ ในระหว่างทางได้พบนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนั่งเจาวอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นหูจมูกและหางขาดพระศาสดาส่งให้พระนันทะพบกับนางเทพอับสอนห้าร้อยผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราชนันทะเธอเห็นอย่างไร นางชนบทกรรัญญาณีกับนางเทพอับศรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าข่าพระนันทะตอบนางเทพอับศรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกัลรยาณีเป็นเสมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางโอ้ยเทพอับศรเหล่านี้สวยจริงจริงพระเจ้าข้าเธออยากได้ไหมนันทะ ข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงยินดีบําเพ็ญสมณธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้นางเทพอักษรเหล่านี้ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอักษรเหล่านี้ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อตามนี้ก็แล้วไป แต่บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระศาสดาทรงพาพระนันทะไปชมสตรีงามในวังของพระเจ้าประสเนธิโกศลหรือในวังเจ้านายแห่งกรุงสาวัตถีนั่นเองซึ่งนิยมเลี้ยงสตรีงามไว้บำรุงบำเรอถ้าหากเป็นจริงอย่างข้อสันนิษฐานนั้น ความงามของเจ้าหญิงแห่งสาวัตถีจะสูงกว่าความงามแห่งเจ้าหญิงสากยะถึงขนาดอย่างที่พระนัน t h พูดเฉ่ยหรือดูห่างไกลกันเหลือกเกินอันหนึ่งพระนันทะรักเจ้าหญิงแห่งสากยะอยู่ความรักย่อมช่วยเติมความงามลงไปช่วยอยู่แล้วข้าพเจ้ายังสันนิษฐานไม่ออกว่าเรื่องจริงควรจะเป็นอย่างไร จึงคงไว้ตามตำนานที่ท่านกล่าวไว้พูดถึงพุทธวิสัยนั้นเป็นไปได้มากมายอย่างที่สามัญชนคาดไม่ถึงเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอับศรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยะ่ะและมีกิริยาอาการอันสอให้เห็นว่า ไม่ได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันท h เป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประกันไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพ อ, บอับศรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ ด้วยประการชนนี้พระนันทะจึงละอายอยู่ควยเขินอยู่รังเกียดอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมิได้อาลัยในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเอง เทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันท่านอาจารย์วสินได้มีความคิดเห็นไว้ว่าพระพเจ้าได้เคยอ่านประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเมื่อพระรูปใดรูปหนึ่งได้สาเร็จมรรคผล พวกเทวดาจะรู้และสาธุการกันมากทํานองเดียวกับที่เกิดแก่พระนันทะนี่เองขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าถ้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันค่าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับศรห้ารนั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้ว พระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองหรือผู้ประกันพระศา ส, าสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลือกตมคือตาม น้ำคือกามอันผู้ใดย่ำหยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่วันไหวในสุขและทุกข์วันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤือหัดมิได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอารหัตผล จึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรถได้แต่บัดนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภา ษ, ษิตที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่า เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมร่วรลดได้ฉันใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนาการในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรร ล, ลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตกาลพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพารานสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตา ก, กศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากิน จนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันฐานมาจากพารณาณสีลาตัวผู้ตอบมาทำไมบรรทุกของมาขายของมากไหมมากของมากอย่างนั้นท่านเดินได้กี่โยศจึงหยุดทีหนึ่งเดินเจ็ดโยศหยุดทีหนึ่ง เมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประครบประโงมบ้างหรือไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปลยพ่อ้าใจดำจริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์ดิรัชานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงตามมาสังโยอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลา ทำให้ลาผู้กระสันขึ้นมีจิตปฏิพั์ในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชายชอบย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้ว เขาจึงบังคับขู่เข็นว่าจะเอาปะตากยาว16หนิ้วแทงลาก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉะไหนาลาจึงพูดทำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่า เจ้านี่รักผู้หญิงเสียแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจักนำนางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้ พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายถ่อยคำของเราเราจะนำภรรยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวภรรยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกาลยานีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองนันทะได้เคยถูกล่อด้วยมาตุคามาแล้ว